สวัสดีครับให้เราร่วมใจกันเปิดปรภชนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอร่อนบทที่9พระธรรมยอร่อนบทที่9เราอ่านตั้งแต่ข้อที่1นะครับจนถึงข้อที่12บองยอนบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่สิบ เมื่อพี่น้องเปิดพบแล้วนะครับเราจะาอ่านพร้อมกันนะครับยอนบทที่ 9, ข้อที่หนึ่งถึงข้อ12เมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามันดาของเขาเขาเกิดมาตาบอด พระเยซูตรัส ต, ตอบว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสดังนั้นแล้ว พระองค์ก็ท่งบ้วนน้าลายลงที่ดินแล้วส่งเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโครนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสกับเขาว่าจงไปล้างโครนออกเสียในสะสีโส่โลอัมเถิดสี่โลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทาน บางคนก็พูดว่าใช่คนนั้นแหละคนอื่นว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นเขาหลายจึงถามว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทําโครนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สะซีโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสียข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาจึงถามว่า ผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบให้เราร่วมใจกันอิฐฐานครับพระเจ้าพระบิดาทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคุณความรักพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงรักข้าพงษงหลายและทรงเมตตาสงสารข้าพงษ์ทั้งหลายในวันนี้ทั้งหลายขออธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดนําพาและขอพระิ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางข้าพงษ์งหลายและเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพงษ์งหลาย เพื่อให้ได้รับรู้พระเจชนะของพระเจ้าและเพื่อให้มีชีวิตที่ติดตามพระองค์ด้วยการเชื่อฟังตลอดไปขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงคําเทศนานี้และให้คําเทศนานี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ตั้งใจและมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังต่อไปขอกราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีคนถามครับว่า ปัญหาของความชั่วร้ายหรือปัญหาของความทุกข์ยากลําบากนี่นะครับต้นต่อมาจากไหนเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับความทุกข์ยากลําบากเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายต้นต่อมาจากไหนถ้าเราดูในพระเจาทั้งพระเจ้าย้อนบทที่เก้าตอนนี้นะครับเราจะพบว่าทั้งบทเลยถ้าเราไม่ยังไม่ปิดพัะงทีนะครับท่านลองดูสิครับว่าทั้งบทบทที่เก้าเลยทั้งบทเลย พูดถึงเรื่องแต่ชายคนนี้พูดถึงเรื่องพฤติกรรมของคนที่อยู่รอบข้างชายคนนี้พูดถึงเรื่องของการตอบสนองที่มีต่อชายคนนี้ทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนที่เป็นไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายคนที่อยู่กลางกลางและแม้กระทั่งคนในครอบครัวและชายตาบอดคนนี้นะครับเราเห็นว่าน้อยมากเลยนะที่ปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณที่ทั้งบทเลยพูดถึงแต่คนคนเดียวเว้นไว้แต่พระเยซูนะฮะ นะแต่มีเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยกับพระเยซูเนี่ยเรื่องของชายตาบอดคนเนี่ยพูดตั้งหนึ่งบทด้วยกันถามว่าสําคัญไหมสําคัญและจุดประสงค์ของบทนี้นะครับพระเจ้ากําลังให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เห็นว่าเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้รับความทุกข์ยากลาบากแล้วเขาผ่านความทุกข์ยากบากนั้นนะครับผ่านไปได้แล้วเนี่ยในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นและระหว่างผ่านเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น และการที่เขาผ่านเนี่ยจะมีใครที่พูดถึงเขาใครที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาและในสุดแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ประการแรกที่ผมจะให้พวกเราได้คิดค้ยควรก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยเจอความทุกข์เนี่ยความทุกข์จะมาจากที่ไหนได้บ้างพระคมิตนตอนนี้นะครับก็คือพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระเยซูบอกว่าพระอาจารย์เจ้าข้าคนคนนี้เกิดมาตาบอด ถามว่าใครทำบาปแสดงว่าสมมติฐานของคนในสมัยก่อนก็คือว่าถ้าใครทำดีเขาต้องได้ดีใครทำชั่วใครทำบาปนะครับเขาจะรับผลของการทำบาปถูกครับและนี่คือสิ่งที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้พวกเราเองก็มีความเชื่อในแนวนี้เหมือนกันว่าใครทำดีเนี่ยนะครับเขาจะได้รับการตอบแทนที่ดีจากพระเจ้า ใครทำชั่วทำบาปเนี่ยเขาจะรับการตอบแทนที่ดีจากให้ขอโทษแตอตอบแทนที่แบบชั่วเลยไม่ดีจากพระเจ้าเหมือนกันนะอันนี้คือการเกี่ยวและการหวานซึ่งเป็นกฎแต่พระคีกําลังบอกว่าสำหรับชายคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบิดามารดาหรือชายคนนี้ทำบาปผมถามว่าเด็กเล็กเกิดมานในโลกนี้ทาบาปได้ไหม เกิดมาปุ๊บก็ตาบอดแสงว่าไปทําบาปในท้องคุณแม่เลยครับไม่ใช่นะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเกิดมีโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เกิดมาเนี่ยลูกพิการบ้างตาบอดบ้างอะไรบัางอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่พระเยซูเฉลยมาบอกว่าคนคนนี้เกิดมาตาบอดไม่ใช่พ่ะบิาดาบัรดาหรือคนตัวเขาเนี่ยทำบาปแต่แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูเฉลยและคําเฉลยของพระเยซูนะครับมันสามารถใช้ได้กับพวกเราทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันทุกวันนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในความทุกข์ยากลาบากหรือเราอยู่ในความสับสนวุ่นวายหรือชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในความเครียดหาทางออกอะไรไม่ได้หรือไม่มีอะไรที่ติดใจเกาะกินแจ้งเราอยู่นะครับมันเอาออกไม่ได้เนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความบากของของเรา มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับความบาปจากความบาปของใครบางคนแต่ที่แน่แน่ที่สุดเกิดขึ้นเพราะว่าพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ในตัวของเราพี่น้องครับหลายหลาครั้งเนี่ยเราลืมมองข้ามจุดนี้ไปนะครับเราลืมมองจุดนี้ไปเรามองข้ามไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเราคิดว่าแบบเดียวอะนะครับกดก็คือกฎก็คือหวานก็คือหวานหวานอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าคุณหวานในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ไดหว่สิ่งไม่ดีถูกไหมครับ แต่ถ้าเราหวานสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเอ๊ะทาไมมันเกิดมาไม่ดีมันกลับมาหาเราไม่ดีทําไมเป็นอย่างนั้นอันนี้คือข้อสงสัยแต่พระเยซูก็เฉลยครับว่านี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยมีพระสิริของพระเจ้าปรากฏอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนการขอบคุณพระเจ้านะครับ เราจะต้องรู้แหล่งที่มาแหล่งแล้วก็ที่เราจะไปหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีการดําเนินไปของชีวิตซึ่งในภาษาในภาษาทางศ า, าสนาเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกว่ามัคโมอรอหันคอมัคแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่ามันคามันคาก็แปลว่าทางครับนีภาษาจีนคำว่าใช้คําว่าเต๋าเต๋าก็คือทางทางเดิน ในชีวิตของเราเนี่ยทุกคนน่ยจะมีสายทางสายชีวิตหรือทางชีวิตของเราแต่ละคนเดินไปมันจะเป็นกระบวนการตรงนี้ว่าพอเวลาเรามีความสุขใช่ไหมครับเราก็เดินไปด้วยความเรียกว่าสุขสบายสบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราจะมองมองซ้ายมองขวาแล้วนะครับทําไมมันถึงทุกข์อย่างนี้นะครับจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบเรื่องนี้นะครับขอให้เรามองทะลุไปจนถึงเรียกว่า บียอนนะครับก็คือมองทะลุข้ามไปเนี่ยเราเห็นเป้าหมายปลายทางของเราก็คือไมก้กางเขนพระเยซูพระพรของพระเจ้าความสำเร็จที่พระเจ้าตั้งไว้น้ำมันไทยของพงที่สำเร็จในชั้นเรียนวิทยาศาสตรของผมนะครับตอนเช้าเนี่ยเราใช้เล่มนีน้ตอบคำถามขาดใจเล่มนี้เช้านี้เราคุยกันว่าไงครับเช้านี่เราคุยกันว่า เอคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ทุกคนก็เข้าใจแต่ทําไมคนทาดีเนี่ยยังเกิดสิ่งที่ไม่ดีได้เราพูดถึงเรื่องของซึนามินะครับซึ่งเป็นภัยพิบัติผมอยากยกตัวอย่างนี้ครับว่าคนดีตายไหมจะเจอซึ่งเมือ น, นี้สี่ซึซนามิเนี่ยตายไหมตายนะครับคนที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ถูกคนขับรถคู่กรณีเนี่ย นะครับชนตายเพราะว่าเขากินเหล้าถามว่าใครเป็นคนผิดครับไอ้คู่กรณีที่กินเหล้าผิดแต่ถามว่าเราต้องไหนเราต้องตายนะนี้พระเยซูก็พูดในพระธรรมกิตติคุณบอกว่ามีหลายหลาคนเนี่ยถูกจับและถูกฆ่าทั้งที่เขาเนี่ยยังอยู่ในความจริงนะครับหรือบางคนเนี่ยตึกถลม่มเหมือนกันนายวันๆนะตึกถลม่มเขาเป็นคนดีทําไมเขาต้องตายอันนี้คือสิ่งที่ มนุษย์นะครับถามกันตลอดเวลาว่าทําไมและเราจะขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมีบางคนบอกว่าก็อาจารย์น่ะอาจารย์เทศได้พูดได้เพราะว่าอาจารย์ไม่เคยเจอเห็นไหมอาจารย์ไม่เหมือนฉันนี่ลูกฉันเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าถูกรถชนลูกฉันเสียชีวิตตึกถลม่มลูกฉันเสียชีวิตซีนอมิผมรู้จักคนหนึ่งครับเขารอดชีวิตได้เพราะเนื่องจากว่า อะไรก็ไม่รู้พอขึ้นมันพัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพัดขึ้นไปไปเกาะ อ, อยู่ตรงยอดมะพร้าวอ่ะครับเน่ยแล้วขาก็จับยอดมะพร้าวแน่นเลยนะก็ขอบคุณพระเจ้ามะพร้าวก็ไม่โค้นแล้วเขาก็พอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยเขาไปอยู่บนยอดมะพร้าวนะก็ถล อ, ลอกบกเ ป, กปกิกนะก็มีมีบาดแผลไหนแห่งแต่เขารอดแต่ลูกของคนบางคนตายภรรยาของคนบางคนตายแต่ว่า คนที่เขาสูญเสียเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงบอกไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเขาได้จนกว่าเขาจะใส่รองเท้าคู่เดียวกันอยู่ในสถา น, นการณ์แหวดล้อมเหมือนกันพี่น้องครับเราจะทำยังไงมเมื่อความทุกมาถึงเราจะขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงนพระคัมีสอนว่าให้มองทะลุมองทะลุความทุกข์ยากํับากเนี่ย <c oughs> เราจะ ยึดไหลผมยกตัวอย่างโยบครับโยบเนี่ยเวลาที่เขามีความทุกข์ยากลำบาก แ, แน่นอนครับทุกคนก็คิดเรื่องของกฎของความดีความชั่ ว, วกฎของการหวานและการเกี่ยวปัญหาประเด็นก็คือว่าโยบเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมใช่ไหมแต่พี่น้องครับในพระธรรมโยบบทที่หนึ่งบทที่สองเนี่ยยืนยันว่าพระเจ้าพระเจ้าเห็นว่าโยบ เป็นคนชอบธรมถ้าพระเจ้าเห็นว่าโยบเป็นคนชอบทมแปลว่าอะไรแปลว่าโยบเป็นคนชอบทำรมจริงนะครับแล้วคนชอบทำเนี่ยเกิดสิ่งไร่กับเขาได้ไหมเกิดได้ไหมครับได้ไหมครับได้แต่เวลาเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเป็นไงครับฉันรับไม่ได้เช่นเดียวกันโยบก็รับไม่ได้เวลาที่เกิดขึ้นกับตัวเองโยบก็รับไม่ได้เมื่อโยบรับไม่ได้เขาทาไงครับ เขาก็ทํากระบวนการเข้าไปจะมาบน่นนู่นบ่นนี่จะต่อว่าพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะก็ไม่ได้รุนแรงมากทั้งที่ภรรยาเขาบอกว่าให้แช่งพระเจ้าแล้วไปตายซะชีวิตของแกเนี่ยแท้ก็มีแค่นี้แหละไปตายดีกว่าแต่โยบบอกว่าอะไรครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยให้ข้าพระเจ้ามาตัวเปล่าข้าพระเจ้าจะกลับไปหาพระองค์ตัวเปล่าไม่ได้หรือพระเจ้าทําอะไรก็ได้นะ แ, แต่เมื่อยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดเป็นไงครับโยบกิ้ง่าอะมันต้องหาสาเหตุให้ได้เนอ้อ และกระบวนการนะครับตั้งแต่บทที่สองเลื่อยไปจนถึงบทที่สาสิบแปดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ที่โยกหาข้อมูลหาคําตอบมีเพื่อนของเขามาสามคนและบอกกับโยกว่าเออเพราะแบบนี้แบบนี้นะคุณถึงเป็นแบบนี้นะคุณกลับไปดูสิในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่ทําไม่ดีเนี่ยก็ได้รับผลที่ไม่ดีตุกวันนี้คุณได้รับผลที่ไม่ดีแสดงว่าคุณต้องทําอะไรที่ไม่ดีมาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ ส, ทสิ่งที่โลก มาตรฐานของโลกนะหลักศีลธรรมกําหนดไว้อย่างนีนะ้กฎของการหวยและการเกี่ยวก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ในกฎนี้คุณก็ต้องรับว่าคุณยอมรับเถอะว่าคุณทําไม่ดีคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทําสักเท่าไหร่ยอมรับเถอะแต่โยบเป็นไงครับโยอบบอกว่าไม่เอาฉันไม่ยอมรับโยบท้านะครับบอกว่า <c oughs> ให้พระเจ้าเป็นผู้พากษานะและให้พระเจ้าเป็นโจทย์ โจดกับผู้พิพากษาเป็นพวกเดียวกันคือคนคนเดียวนะแล้วฟ้องร้องผมซึ่งโยบผมจำเลยผมจะแก้แก้ต่างผมจะแก้ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นทนายตัวเองให้กับตัวเองผมจะแก้ว่าผมชอบทำโยกมีความมั่นใจถึงขนาดนี้นะพี่น้องครับผมถามว่าทุกวันนี้เรามีความมั่นใจแบบนั้นไหมคำตอบคือเราไม่ได้มั่นใจแบบนั้นเลย แล้เมื่อเราไม่มั่นใจแบบนั้นเนี่ยเรายอมรับเสถะแต่โยบนี่มั่นใจมากแล้วเขาทํายังไงต่อไปเขาบอกมามาดูกันมาดูกันพระเจ้าก็ปล่อยให้เขาพูดพูดพูดพูดพูดนะให้เพื่อนเขาก็พูดพูดพูดพูดพูดไปนะเอามาตรฐานตัวเองขึ้นมาพูดพูดพูดแต่ในที่สุดพระเจ้าก็โชวยเขาเห็นให้เขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เขาเห็นโลกนี้ให้เห็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วเกิดอะไรขึ้นนี้ที่สุดครับ เมื่อโยบมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเขาจะไปเป็นทนายแก้ต่างให้ตัวเองเป็นจำเลยนะครับเป็นทนายด้วยเป็นจำเลยด้วยได้ยังไงมันไม่มีทางพระเจ้าทำยังไงก็ถูกเสมอพระเจ้ามีฤทธานุภาพมีอํานาจอธิปไตยในการทําทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นนะครับโยบก็ยอมรับอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าและก็ในที่สุดพระเจ้าก็คืนสิ่งที่คืนสิ่งที่ พระเจ้าเอาจากเข้าไปนะครับพระเจ้าก็คืนมาให้สิบเท่านั่นแหละคือบทสรุปของโยบบทเรียนของโยบทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องมองทะลุถ้าเราอยู่ในระหว่างบทที่สองหรือบทที่สามพี่น้องมีความทุกข์ไหมคําตอบคือทุกข์ครับแต่ถ้าเรามองทะลุบทที่38เข้าไปถึงบทที่39มสิบ้าสี่สี่บเอ็ดเป็นไงครับเราจะมีความหวังขึ้นมาได้ และนี่คือสิ่งที่เยเรมีนะฮะได้เขียนไว้บอกว่าข้าว่าเจ้าเนี่ยหวนคิดระลึกขึ้นมาได้ว่าอะไรครับความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยไม่มีวันหยุดยัง้งนะครับเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้านะแล้วใช้ไม่มีวันหมดความรักของพระเจ้าเป็นอย่างนี้และด้วยเหตุ น, นี้เองทําให้เราสามารถผ่านความทุกข์ได้และในขณะเดียวกันเราสามารถอยู่ในความทุกข์ยากลําบากได้ นะครับและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีพี่น้องจำดีๆนะครับถ้าเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีนะครับถ้าเราอยากจะบอกว่าเรานะั้นต้องเฝ้าระวังตัวอยู่เสมอในการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเราต้องระวังตัวอยู่เสมอที่เราจะขอบคุณพระเจ้าแล้วไม่พอนะต้องขอบคุณพระเจ้าให้พออย่าลืมนะครับตอนเช้าผมเทศนาว่าการขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ย มันสามารถการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะมีผลต่อความเชื่อของเราได้เพราะไปคู่กันนะฮะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมด้วยเวลาที่ผมเตรียมพระพิีเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ก็คือว่าการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยนะครับไปควบคู่กันกับความเชื่อถ้าเราต้องการจะมีความเชื่อมากขึ้นเนี่ยเราต้องขอบคุณพระเจ้าให้มากขึ้นถ้าเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าได้มากขึ้นเราก็ต้อง มันขยับไปขยับมาขยับไปขยัมามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคือการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับเรากลับมาดูในเรื่องนี้ต่อไปอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะครับพระคัมีร์บอกว่าเมื่อเขาเมื่อเขาจะเข้าสู่กระบวนการของพระเจ้าจะเดินในทางของพระเจ้าเนี่ยพระเยซูก็มีวิธีรักษาและวิธีรักษาของพระเยซูที่นี้แปลกๆครับคืออะไรครับคือพระเยซูก็ทม น้ำลายนะครับลงที่ดินแล้วเอาน้ําลายมาทําเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดพี่น้องครับผมถามว่าถ้าเป็นเราเราเอาไหมไม่รู้จักพระเยซูมาก่อนนะแล้วได้ยินว่าคนเนี้เขารักษาตาได้นะและฉันเน่ยเป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเลยแล้วเขาก็เอาน้ําลายเนี่ยบ้วนลงไปที่ดินแล้วมาทาตาเป็นคุณคุณอยากลองไหมเอาไหม บางคนบอกเอาเพราะอะไรเพราะฉันหมดหม ด, หมดทางแล้วหมดทางแล้วนะครับบางคนบอกไม่เอาผมถามว่าผู้ชายคนนี้เห็นพระเยซูกำลังถมน้าลายลงใบเป่าไม่เห็นครับพอตาเขาบอดไงฮะนะเขาก็เข้ามาหาพระเยซูนะด้วยความเชื่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ครับในที่สุดเขาได้รับการรักษาให้หายพระเยซูมีวิธีรักษาแปลกๆ แ, แต่เรื่องนี้ไม่ได้ท้าทายความเชื่อของคนตาบอด แต่มันท้าทายความเชื่อของคนคนดูคนดูคนที่ดูและถามว่าใครดูอยู่ครับหนึ่งสาวกของพระเยซูสองใครครับพวกบรรดาศัตรูของพระองค์ก็ไอพวกต่อต้านพระเยซูเนี่ยอะไรก็เห็นนะครับเสร็จแล้วในสุดเนี่ยผู้ชายคนนี้รับการรักษาใหหายเราดูต่อไปครับอะไรเกิดขึ้นต้อเพียรที่อธิบายว่าคนคนเนี้ยเคยเป็นขอทานใช่ไหม นะพอรักษาพอหายไปปุ๊บเนี่ยเขาเลิกเป็นก่อทานเขาก็เข้าไปในเมืองไปเจอคนนู้นคนนี้บรรดาเพื่อนบ้านและบรรดาคนเคยเห็นมาก่อนบอกว่าคนเนี้ใช่ไหมนะเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าใช่คนนี้แหละใช่เลยแต่คนนึงบอกว่าอะไรครับคนอื่นบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าหน้าเหมือนกันพี่น้องเห็นอะไรไหมพ่อผีพูดชัดบอกว่าเพื่อนบ้านและคนที่เคยรู้จักชายคนนี้ที่เป็นคนตาบอดนะเนี่ยนะเขาเนี่ยแบ่งเป็นสองพวก พวกหนึ่งคือยืนยันว่าใช่พวกหนึ่งบอกยืนยันว่าไม่ใช่พวกยืนยันว่าใช่คือยอมรับความจริงพวกที่ยืออยนยันไม่ใช่เขาไม่ไม่เชื่อเขาไม่ยอมรับความจริงแต่ความจริงมันเกิดพี่ต้องสังเกตอะไรไหมครับเมื่อความจริงเกิดขึ้นความจริงเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคนที่ยอมรับกับไม่ยอมรับถามว่าคนไม่ยอมรับเนี่ยเขารู้จักชายผู้นี้ไหมรู้จักแน่นอนแต่ไอ้การไม่ยอมรับเนี่ยทําให้เขาบิดไปเบี้ยวไปใช่ไหม student. เขาบอกว่าคนนี้เหรอ คนนี้ไม่ใช่มั่งหน้าตาเขาเหมือนกันมั่งโอ้โหพูดได้ถึงขนาดนี้นะสามารถที่จะบิดความจริงได้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียวแต่ถามว่าการบิดความจริงทำให้ชายคนนี้อะไรนะไม่หายไหมไม่ครับการบิดความจริงก็แต่เนี่ยความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่วันหนึ่งค่ำและสิ่งที่เขาทำต่อไปก็ในข้อส1บอครับชายคนนี้นะครับได้เป็นพยาน เป็นพยานว่าอะไรบอกว่ามีคนคนหนึ่งชื่อเยซูทําโครนทาตาของเขาพระเจ้าถามว่าชายคนนี้รู้ได้ไงครับรู้ได้ไงขณะที่พี่เยซูทําไม่เห็นใช่ไหมครับถูกไหมฮะทํา ไ, ไม่เห็นพี่เยซูกําลังทําโครนอยู่ไม่เห็นแสดงว่าต้องมีคนเล่าให้เขาฟังทําไมเวลาที่พี่เยซูเนี่ยนะรักษาคนอื่นเนี่ยพระเยซูบอกว่าจงลุกขึ้นมาเดินก็เดินเลยพระเยซูสั่งอย่างเดียวทําไมเคสหรือกรณีของคุณเนี่ย ทำไมพระเยซูต้องบ้วนน้ำลายด้วยละ่ะเขาก็คงจะแปลกใจนะทำไมพระเยซูต้งบ้วนน้ำลายด้วยละ่ะนั่นนี้สุดเนี่ยมาทาตาเขาชายคนนี้ได้ยินครับเม้่อเขาได้ยินพผู้นี้หมายความว่ามีคนอื่นเป็นพยานให้กับเขาแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์การรักษาที่มาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับเขาก็เชื่อและเขาก็เป็นพยานถึงพระเยซูความหมายตรงนี้คืออะไรครับความหมายตรงนี้ก็คือว่าเขาได้ขอบคุณพระเยซู การเป็นมียาเนี่ยสัมแดงถึงการขอบคุณพระองค์ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อชีวิตของเราเนี่ยได้พบกับพระเยซูได้พบการรักษาที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่สําคัญก็ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือเราควรที่จะขอบคุณพระเยซูการขอบคุณเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วการขอบคุณเพิ่มพูนความเชื่อเมื่อความเชื่อของเราสูงขึ้นเราก็จะมีการขอบคุณมีเรื่อง ONG, เราการขอบคุณมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นทีนี้ผมถามว่า พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นพยานเพื่อขอบคุณพระเจ้าได้ไหมคำตอบคือได้ครับตราบใดก็ตามที่เราถอยหลังกลับไปดูชีวิตของเรานะครับหันมาดูชีวิตของเราแต่และอย่างแต่และอย่างนั่นคือการทบทวนชีวิตนับพระพรของพระเจ้าเราจะมีเรื่องราวมากมายในการขอบคุณพระเจ้าตอนเช้านี้ผมได้บอกกับพี่น้องว่าขออนุญาตให้การบ้านนะวันหนึ่งเนี่ยนะครับให้ไปจดดูสิครับว่า เดือนหนึ่งตลอดเดือนนะวันหนึ่งจดสามเรื่องนะที่เราจะไะขอบคุณพระเจ้านะลองถอยกลับไปในชีวิตของเราว่างๆแทนที่เราจะเล่นไลน์เล่นเฟซ น, นะเราก็หยุดเล่นก่อนอยุดเล่นเขียนให้ได้ครบสามข้อก่อนนะครับเขียนได้ครบสามข้อเรื่องว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไรโอเคไหครับผมขอข้ามไปประเด็นอีกประเด็นหนึ่งผมอยากให้พี่น้องใ้เปิดในพระธรรมสะดูดีครับ เฉวยดีบทที่44ข้อ23 24เฉวยดีบทที่44ข้อ23 24ผมอยากให้ฟังนะครับ ให้พี่น้องเปิดพบแล้วนะครับก็เชิญอ่านพร้อมกันได้โอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตื่นเถิดฉไหนพระองค์บรรทมอยู่ขอทรงตื่นขึ้นเถิดขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียตลอดกาลฉไหนพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพระองค์เสียฉไหนพระองค์ทรงลืมการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกยากและถูกบีบังคับเสียที่นี่พระมังพีนะครับในข้อนี้เนี่ยได้บอกว่า ไม่อยากให้พระเจ้าทอดทิ้งเราเวลาที่เรามีความลำบากนะแต่คำถามอยู่นี้คือว่าเอ๊ะแล้วผมจะถามพระเจ้าได้ไหมว่าทำไมพระองค์ยังไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ยังซ่อนพระพักของพระองค์เสียจากข้าพระองค์ทำไมพระองค์ลืมการที่ข้าพระองค์ทุกยากและถูกเบี่ยงับไปแล้วหรือคำตอบก็คือว่า พระเจ้าลืมหรือเปล่าครับพระเจ้าลืมเป็นไหมครับไม่เป็นนะครับพระเจ้าจําได้ทุกอย่างในขณะที่พระเจ้าจําได้ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถถามคําถามเหล่านี้ได้ไหมคําตอบคือได้หรือไม่ได้ครับได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ควรหรือไม่ควรครับยังไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรพี่น้องฟังต่อไปนะครับพี่น้องครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมีละครนะครับที่เขียนขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองละครเรื่องนี้นะครับ มีเนื้อหาว่าผู้รอดชีวิตชาวยิวพี่น้องทราบไหมครับว่าตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเยอรมันเนี่ยนะครับฮิตเลอร์เนี่ยนาซีฮิตเลอร์เนี่ ย, เ, เ, ยเขาฆ่าคนยิวไปหกล้านคนแต่ว่ายังแม้ว่าจะฆ่าไปถึงหกล้านคนนะครับเขายังมีคนที่รอดชีวิตอยู่ในละครเรื่องนี้เขาบรรยายว่าบรรดาชาวยิวที่รอดชีวิตนะ ได้นําพระเจ้ามาไต่สวนคดีความอันนี้เป็นละครนะครับนําพระเจ้ามาไต่สวนคดีความเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยในปอดศาสตร์ชาวยิวนะเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับคาเลฮอรคอสนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ ย, ก, นนยก็คือตั้งแต่ในสมัยโมเสสเนี่ยอพยพชาวยิวออกมาจากนะครับอียิปต์เข้ามาสู่ถิ่นทรุรกันดานตอนนั้นนี่ฟาโร่เนี่ยปล่อยให้ ปล่อยให้คนชาติอิสราเอลเนี่ยออกมาจากอียิปต์เพราะอะไรครับเพราะภัยพิบัติศิบาการมันบังคับบีบอยู่นะครับในที่สุดเขาก็ต้องปล่อยออกแต่ว่าการที่ปล่อยออกเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกเสียดายใช่ไหมครับเพราะว่าแรงงานฮะประมาณประมาณหกแ00คนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะมันหายไปเลยหกแสนคนนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจนี่ยก็เรียกว่าเศรษฐกิจตกเลยนะฮะออกมาเนี่ยไม่มีแรงงานไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีลูกจ้างว่างังนเถอะ00แสนคนหายไปหมดเลยอะไรเกิดขึ้นครับ เขาต้องการเลยตามไม่พวกนี้กลับแต่ตามไม่กลับไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเครื่องไปถึงทุนกางกันะมีอยู่อย่างเดียวครับไม่เป็นห อ, อข้างแคร์ต้องการเลยครับทํำลายล้างถ้าไม่มีทะเลแดงมาช่วยไว้นะเป็นไงครับจบครับถูกฆ่าหมดแน่อันนี้คือคือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ต่อต่อนะครับในประวัติศาสตร์ของชนยูคนชาติยูที่บันทึกไว้ในไวนิพนธอัมพีเนี่ยกรณีอย่างเช่นการเสียกรุงเยอเมนีครั้งสุดท้ายนะ ก่อนพระเยซูมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับพวกเขาก็ถูกฆ่าหมดอัสเตรียมาถึงปุ๊บเนี่ยฆ่าคนฆ่าคนคนยิวสิบเผ่าแรกสิเผ่าข้างบนสิบเผ่าทางเหนือนะครับแล้วก็พวกบาบิโลนเนี่ยก็มาฆ่ามาฆ่าพวกอิสราเอลฝ่ายใต้จนเกือบหมดไม่มีเหลือเลยนะครับคนที่เหลือทิ้งไว้ก็เป็นคนที่แบบว่าชนชั้นต่ําไม่มีความรู้เป็นขอทายเป็นอะไรที่แต่คนที่เก่งๆเนี่ยเขากวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนหมด แล้วจะเหลือั้มครับไม่เหลือและครั้งสุดท้ายล่าสุดเลยก็คือที่ที่ทวีปยุโรปใช่ไหมฮะนี่คือฮอโลคอสพี่น้องครับเขาเอาพระเจ้ามาไต่สวนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พระเจ้าก็รับการไต่สวนนะครับแล้วพระเจ้าก็ผิดถูกพิพากษา ว, ว่าผิดเพราะยอมให้เกิดการชั่วร้ายขึ้นมานะครับผู้ตัดสิน ได้ตัดสินว่าพระเจ้าจะต้องลงโทษถูกลงโทษด้วยสามวิธีลงโทษวิธีแรกก็คือว่าพระเจ้าจะต้องเอาลูกของพระองค์เนี่ยต้องเสียลูกของพระองค์เหมือนกับที่ชาวยิวได้เสียลูกชายของพวกเขาในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับอันที่สองพระเจ้าถูกตั้งโทษประหารชีวิตแต่จะไม่ปล่อยให้ตายง่ายๆนะครับ จะต้องได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสจนกว่าจะถึงความตายเหมือนกับที่คนยิวได้ทนทุกข์พระเจ้าก็ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนกับที่คนยิวได้รับประการที่สพระเจ้าจะต้องลดตัวเองมาเป็นมนุษย์เหมือนกับคนยิวจะต้องเจ็บได้ปวดได้ถูกทุบตีแล้วถูกเตะถูกดูหมินถูกทมน้ำลายถูกสังคมปฏิเสธถูกกีดกันเหยียดผิวเหมือนกับพวกยิว ที่ต้องเผชิญตอนถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องครับพระเจ้าต้องได้รับโทษสามอย่างนี้ในในขอเรื่องนี้นะโทษสามอย่างนี้พี่น้องฟังแล้วเป็นไงครับคับใครยครับคลาเหมือนใครบางคนใช่ไหมครับแล้วผู้นั้นก็คือท่านนั้นก็คือพระเยซูนีเมื่อเราอ่านตรงนี้ไปนะครับหรือเรารู้เรื่องนี้ไปไปนะครับเราถึงบทสรุปได้ทันทีเลยว่า พระเจ้าเนะี่ยจ่ายราคาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับก็คือพระเจ้าจ่ายราคาอยู่ที่ไหนครับที่พระชนชีพของพระเยซูนั่นเองผมอยากจะกลับมาถึงตรงนี้ว่าเมื่อเช้านี้นะฮะผมก็ถามพี่น้องที่นั่งอยู่เรียนแล้เวียวผมบอกว่าเวลาที่คุณตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนะสมมตินะครับว่าคุณถูกหมอวินิจฉัยว่าคุณเป็นมะเร็งนะ ผมก็ถามว่าคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆเลยนะของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมไม่ชื่อนะครับนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะที่ดีๆมากเลยโรงพยาบาลเอกชนไปถึงปุ๊บเนี่ยน ะ, ะรับการต้อนรับอย่างดีเลยนะครับนะสถานที่ก็โอโถงคุณหมอก็เก่งนะครับใช้เวลาคอยก็ไม่นานทุกอย่างเนี่ยจบเร็วมากเลยนะกับการที่เราต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลรัฐบาล น, นะครับกว่าจะเจอหมอเนี่ยนะสชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้าง ผมถามว่าโรงพยาบาลสองแห่งนี้คุณจะเลือกไปโรงพยาบาลไหนครับคําตอบคือเอกชนหรือรัฐบาลเอกชนหรือรัฐบาลเอกชนใช่ไหมเอกชนใช่ไหมแน่นอนครับพอผมถามอย่างนี้ทุกคนบอกว่าใช่ไมเอกชนดีกว่าแต่ผมถามว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอาการหนักนะแล้วคุณ มีความรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยยังไม่รู้ยังไงนะไม่แน่ไม่นอนถามว่าไปที่ไหนคุณยังมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้รล้วพี่น้องที่เรียนอยู่นะใช้เวลาคิดอยู่นานนะในที่สุดผมก็เฉลยครับบอกว่าผมเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนเวลาที่ เราถูกวินิจฉัยว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณต้องรักษาอย่างงี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราหวั่นไหวหเรากลัวนะครับพอเราไปที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราเห็นโอ้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณเคยเห็นไหมครับเขาเข็นคนไข้มาแล้วคนไข้พังงาพังงาพังงาพังงาต้องช่วยปั๊มปัมปมปัป๊ปคุณเคยเห็นไหมฮะในโรงพยาบาลเอกชนนะไม่ไมี ก็ไม่ได้เข exactly. ็นเงินไขมาให้เราดูเลยใช่ไหมครับพอเข้าถูกเฉยปุ๊บก uh, ็ไปเลยนะไปตามไปตามแทร็กของทางเดินของเขาเลยไม่ค่อยได้ม like ีโอกาสหลีกทางด้วยครับหลีกทางด้วยครับนะแต่พอเวลาเราไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี like ่ยนะครับเราก็จะพบกับผ้าแบบเนี้ยไม่มากก็น้อยนะผมไปนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนเขามีความสุขเออแหมเราน่าจะออกได้นะเราไม่ใช่นอนออกนะคือเราต้องเดินออกนะ เราก็เหมือนกับมีความหวังก็ดูดีนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยพอหมอบอกว่าคุณเป็นขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้แล้วนะคุณเป็นอย่างนี้นะคุณต้องรักษาอย่างนี้นะใจเป็นครับจิตตกเลยนะจิตตรงเลยและเขาก็ส่งผมเนี่ยไปไปโรงพยาบาลรัฐบาลถ้ารู้ไหมครับว่าเวลาที่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยจิตมันขึ้นถามว่าทําไมจิตมันขึ้นจิตไม่ตกทําไมจะาทำไจิตมันขึ้นเพราะว่ามีคนหนักกว่าเราอ่ะ และเขายังสู้เลยนะมีคนหนักกว่าเราเนี่ยเขายังสู้เลยเขายังเอหายังคุยนะผมก็เขาไม่รู้อ่ะผมรู้อ่ะนะอย่างนีตามครับไม่ว่าเราจะอ้างเหตุผนี้ก็ตามมีคนที่หนักกว่าเรา่ครับพระเจ้านี่บอกว่าการที่เราเนี่ยทนความทุกข์ยากลาบากเล็กๆน้อยๆนะแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะ ความทุกข์ยากลาบากเล็กน้อยเนี่ยทำให้เรามีส่วนร่วมในความทุกข์ยากกับพระเยซูจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้นี่คือเหตุผลในการขอบคุณเจ้าอี ก, เ, อกเหตุผลหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ายัางรักเราขณะที่คนอื่นๆเนี่ยนะเขาจะต้องพึ่งตัวเองเแต่เรามีที่พึ่งคือพระเจ้าและเราการที่เรารับส่วนความทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยพระเจ้าถือว่าเรากําลัง ร, งร่วมทุกข์ กับพระเยซูนี่คือความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษของเราที่เราจะได้พร้อมกับพระเยซูคำถามว่าชีวิตของพวกเรานะเวลาเรายากจนเวลาเราเหมือนกับสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับเวลาที่เราหาทางออกไม่ได้เวลาที่เราจนมุมเวลาที่เราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้นะเราต้องอยู่กันั้นเป็นเวลานานๆนๆๆนนี่นะครับขอให้คิดเสมอว่าเรากําลังร่วมทุกข์กับพระเจ้า ร่วมทุกข์กับพระเยซูมีส่วนในเรื่องนี้ถ้าเราทนทุกข์ด้วยความชอบธรรมนะครับนะถ้าเราทนทุกข์เพราะว่าเราถูกต้องถ้าเราทนทุกข์เพราะว่าเราทำสิ่งที่สมควรทำถ้าเราทนทุกข์เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเขาถามว่าอย่างนี้ครับอะไรคือความแตกต่างนะครับของคนที่เป็นคริสเตียนเวลาที่ทุกข์ยากละบากเนี่ยเราร้องเพลงได้ชีวิต ของท่านอัคาทูตเปาโลนะเป็นตัวอย่างครับถูกเคี่ยนตีถูกจับขังคุกนะในกิจการบทที่16นะท่านกับซีลาเนี่ยร้องเพลงได้คนถูกขังคุกที่ร้องเพลงได้เปิดคอนเสิร์ตได้นะฮะเปิดคอนเสิร์ตได้ร้องเพลงได้ร้องเพลงลั่นคุกเลยนะลั่นคุกเลยแล้วในที่สุดเนี่ยรากคุกเนี่ยพ่อผีบอกว่ารากคุกก็สะเทือนสถานแล้วอะไรครับประตูคุกก็เปิดออกแล้วแถมยัง ท่านเป็นผู้นําม็อบด้วยนะท่านบอกว่าอะไรครับบอกว่านักโทษทุกคนเนะี่ยเวลาเนี้ยอยู่ในที่ตั้งไม่ออกมาเลยนะเราไม่ได้หนีไปไหนเลยในคุกเนี่ย จ, จะฆ่าตัวตายอาจารย์บรู๊คก็บอกว่าไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะเราอยู่กันหมดทุกคนครบที่นี่ในคุกก็กลับใจใหม่เชื่อพระเยซูเลยครับไอ้แม้แล้วก็นี่คือการก่อตั้งขึ้นจักเมืองฟิลิปปีที่อยู่ที่นั่นพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่า อะไรคือความแตกต่างของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ากับเราเวลารารับทุกเนี่ยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็คิดว่าเนี่ยเป็นกรรมนี่เป็นอะไรไม่รู้่จะหาข้อมูลยังไงแต่แต่สําหรับลูกของพระเจ้าแล้ว <c oughs> เมื่อเรารับความทุกข์เราขอบคุณพระเจ้าได้พี่น้องเดือนนี้นะเป็นเดือนทั้งเดือนที่เราจะขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้า สำหรับความทุกข์ยากลาบากปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มีอยู่หน้าเวลานี้เพื่อเราจะมองทะลุสิ่งเหล่านี้ไปและเราจะพบว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนี่คือความแตกต่างครับเรามีพระเจ้าที่พึ่งพาได้เรามีพระเจ้าผู้ช่วยเราได้เรามีพระเจ้าที่เราสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เมื่อยามเราทุกขเรามีพระเจ้าที่เราสามารถขอบคุณพระองค์ได้ ในทุกกรณีอาเมนไหมครับพี่น้องเรานี่ยนะถามว่าเป็นใครครับเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนอกจากเรามีพระเจ้าที่จะช่วยเราได้วันนี้ผมพูดถึงเรื่องความทุกข์เยอะนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงเนี้เป็นช่วงที่เราทุกโศกเพราะเนื่องจากการเสร็จสวรรคตของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราช ก, การที่เก้าหลายหลาคนก็ ม, มองว่าเออแล้วอนาคตจะไปยังไงผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า อนาคตจะไปยังไงไม่เป็นไรแต่ขอให้เราอธิษฐานอนธิษฐานเผื่อประเทศชาติเมืองของเราอธิษฐานเผื่อว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตรเรามอบไว้กับพระเจ้าแม้ว่าเราจะดีหรือเราจะทุกข์นะครับหรือเราจะมีปัญหาหรือเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เราจะสามารถรองเพลงได้นะครับอยากจะอ้างอิง พ, พิ่มพีตอนหนึ่งในพิ่มพีเดิมเนี่ยก็บอกว่าฉเฉลยที่ถูก ถ said, ูกจับไปที่บาบิโลนเนีขาเขียนอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงในดินแดนของศัตรูได้อย่างไรข้าพเจ้าจะร้องเพลงในดินแดนของศัตรูได้อย่างไรข้าพเจ้าร้องเพลงในฐานะเฉลยได้อย่างไงเห็นไหมครับเคยดีนคำผีข้อนี้ไหมเห็นข้าพเจ้าจะร้องเพลงได้องไดินแดนแห่งความเศร้าโศกข้าพเจ้านั่งอยู่นะครับที่แม่น้ําอยู่ยูเฟรติส แม่น้ำยูเฟติสเป็นแม่น้ำของใครครับไม่ได้แม่น้ําจอร์แดนนะแม่น้ํำยูเฟติสเป็นแม่น้ํำที่ไหลผ่านบาบิโลนไหลผ่านเมืองเออซึ่งเป็นเมืองเดิมของอับราฮัมไหลผ่านกรุงบาบิโลนเนี่ยข้าพเจ้านั่งลงที่ฝั่งแม่น้ํายูเฟรติสและข้าพเจ้าไข้ควรว่าเขาจะร้องเพลงได้อย่างไงในดินแดนของศัตรูที่ข้าพเจ้ากําลังเป็นเชลอยอยู่พี่น้องครับคำตอบก็คือว่าเราจะร้องเพลงได้ เมื่อเรามีพระเยซูเป็นที่พึ่งของเราเราจะมีพระเยซูเป็นคาตอบของเราเรามีพระเยซูซึ่งเป็นความแตกต่างของเราจากคนอื่นมากมายและด้วยเหตุ น, นี้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีความภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนในการร่วมทุกข์กับพระเยซูนะครับเรามีส่วนในการที่เราจะมองทะลุและเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ข้างหน้า เราจะมีส่วนในการที่เราจะพบกับประสบการณ์ที่หลายหลยคนไม่เคยมีมาก่อนเนอนี่ครับคือสิ่งที่เป็นความหวังของเราผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสก้มศีรษะลงอธิษฐานนะครับในสิ่งต่างที่พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้บางครั้งสิ่งร้ายเกิดขึ้นเพื่อ จะมีสิ่งดีกว่าตามมาบางครั้งสิ่งร้ายเกิดขึ้นเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่และความดีของพระเจ้าบางครั้งสิ่งร้ายเกิดขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะสำแดงความรักเป็นช่องทางที่พระเจ้าจะเมตตาเราบางทีสิ่งร้ายเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากในที่สุดแล้วพระเจ้าเตรียมความชื่นชมยินดีให้กับเรา และนี่คือความแตกต่างของลูกของพระเจ้ากับคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องหลายหลยท่านที่อยู่ที่ น, นี่อาจจะยังมีท่านบางคนนะครับที่ยังไม่ได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะสำรวจชีวิตของเรา และเราจะรู้จักขอบคุณพระเจ้าครับที่พระองค์ได้ทรงนําเราให้มารู้จักกับพระเจ้าพัฒนาให้มาเป็นลูกของพระเจ้าให้เข้ามานำมาสการพระเจ้าในวันนี้และเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสอยู่ในใจบอกว่าให้เรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์เถิดอย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอย่าลืมที่จะเพิ่มพูนความเชื่อของเราด้วยการขอบพระคุณ ข้าแต่รพระเจ้าพบิดาอีกครั้งหนึ่งที่ข้างหลายวิงวอนต่อพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงโปรดเพิ่มพูนการขอบพระคุณในชีวิตของข้าพงทั้งหลายที่ให้ชีวิตของข้างหลายนั้นได้เต็มไปด้วยความขอบพระคุณขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องหลายหลายท่านที่ยังอยู่ในปัญหาอุปสรรคที่ยังอยู่ในความทุกข์ยากลําบากที่ยังอยู่ในทางสองแพร่ง ที่ยังไม่รู้จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาดีขอพระเจ้าที่ทรงโปรดนําพาพี่น้องหลายหลายท่านมีสุขภาพที่ไม่ดีมีโรคประจําตัวหลายท่านสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตและไม่สามารถให้หวนคืนได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงอนุ ญ, ญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่ชีวิตของข้าพวงหลายนั้นจะพึ่งพาพระองค์มากยิ่งขึ้นกว่านี้และชีวิตของข้าพวงหลายนั้นจะมีความเชื่อเมื่อขอบพระคุณพระองค์ เมื่อเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอย่างถูกต้องขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้ชายตาบอดคนนี้ได้สอนข้าวง์หลายในวันนี้ในการขอบพระคุณพระเจ้าและเป็นพยานแต่เป็นพยานนี้เองทำให้ข้าวงหลายนั้นรู้ว่าข้าวงหลายต้องทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ในการที่ข้าวงหลายจะต้องประกาศนําวิญญาณในการที่ข้าองหลายจะต้องเลี้ยงดูให้คนเติบโตขึ้นด้วยพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการที่ของหลายนั้นจะนำคนให้เป็นสาวกเพื่อที่งานรับใช้ของพระองค์จะได้กว้างขวางเจริญก้าวหน้าต่อไปขอพระเจ้าทรงอำานยพระพรทุกทุกท่านให้ได้รับการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์ให้ได้มีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าให้ได้มีชีวิตแห่งการถวายตัวรับใช้พระองค์และขอที่ทานเปิดสาหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะสมัครเป็นลูกของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความกล้าหาญและการตัดสินใจเพื่อที่พี่น้องเหล่านี้เขาจะสามารถยืนหยันในความเชื่อแต่กล้าที่จะนําตัวเองเปิดเผยต่อพระเจ้าสารภาพความผิดบาปและกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูปเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทังหลายพร้อมใจกันอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบเจ้าอุอ๋ยพรครับ